ไม่กี่วันนะก็จะถึงวันที่หนึ่งกรกดาเป็นวันที่หลายคนรอคอยนะบางคนก็รอคอยเพราะวันนี้เป็นวันที่หวยออกนะประกาศผลลอตเตอรี่มีความหวังว่าจะได้รวยแล้วนะแต่ว่าจำนวนไม่น้อยนะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้รอคอยวันนี้เพราะว่ารัฐบาลจะจะเรียกว่ายกเลิก ม, มาตรการต่างๆ ที่เคยใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดมาตรการที่ว่านี้รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยด้วยหมายความว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือแล้วก็ยิ่งวันนั้นคือว่ามีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแบบเหมือนปกตินะมาตรการ ต่างๆที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะจนแทบจะเหมือนกับว่าเปิดกว้างเลยเรียกว่าเปิดประเทศเหมือนกับที่เคยทาก่อนโควิด น, นี่แหละคนก็รู้สึกว่าเออรอคอยวันนี้มานานแล้วอยากจะให้ชีวิตอยากจะให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความปกติแต่ที่จริงนี่มัน ยังไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวนะบ้านเมืองก็ยังไม่ปกติทีเดียวเพราะว่าโควิดก็ยังวางใจไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มนะที่มันจะกลับมาอารวาดใหม่อย่างตอนนี้หมอใหญ่เนะี่ยได้พูดเตือนนะว่าตอนเนี้ยคนที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิด ในโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเช่นสิริราชรามาจุฬานี่เพิ่มขึ้นนะเกือบสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับต้นเดือนนี้นแล้วก็เตียงที่รองรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ว่านี่ในกรุงเทพแล้วก็ในหลายจังหวัดมันเต็มแล้วเมื่อกลางเดือนนี้ยังโล่งอยู่เลยนะตอนนี้เต็มแล้วเพราะว่าคนนี่ กลับมาล้มป่วยเพราะโควิดกันใหม่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ระมัดระวังนะไม่ตั้งกาดโดยเพราะการไปสังสรรค์พบปะ ก, กันเหมือนเคยนะกินอาหารก็ไม่ระมัดระวังสถานที่ก็เลยติดโควิดกัน จากเดิมเนี่ยที่เคยต่ํากว่าสองพันนะเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้เกินสองพันนี่มาติดต่อกันมาสองสาวันแล้วและยิ่งกว่านั้นคือว่าสายพันธุ์ย่อยนะโควิดสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่นี่มาแล้วชื่อว่าเบอจุดสี่จุดห้านี่เพราะว่ามันแรงกว่าตัวก่อนหรือตัวที่กําลังระบาดตอนนี้เพราะว่ามัน ลงปอดได้ง่ายกว่ามันมีการกลายพันธุ์ที่ตัวน้าเราไม่จับกับเนื้อเยื่อเซลล์กับเซลล์อเซลในปอดนี่ได้ง่ายขึ้นเนื้อเยื่อปอดนี่ก็เลยติดเชื้อตัวนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะรุนแรงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าเพิ่งไปดีใจว่าชีวิตปกติกับคืนมาแล้วฟ้าเปิดแล้วนะ เรื่องการสวมหน้ากากนามัยเรื่องการวางระยะห่างคลุกคลีกันเท่าที่จำเป็นหรือว่ามีการพบปะ ส, สังสรรค์ไก็ต้องระมัดระวังยังต้องทำอยู่นะแต่แง้วก็ตามนี่นะในโควิดเนี่ยใน่สุดมันก็ต้องบรรเทาเบ า, บาบางลงนะ จากที่เป็นโรคระบาดกันทั่วโลกต่อไปก็จะกลายเป็นโรคประจําถิน่นเหมือนกับมาลาเรียเหมือนกับโรคหวัดมันมีวันที่จะสงบลงไปได้แต่ที่น่ากลัวกว่านะหรือที่ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นนะก็คือปัญหายอย่างหนึ่งนะไม่ว่าโควิดจะมาหรือไม่แต่ปัญหานี้มันก็ทําท่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แล้เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเราของคนทั้งโลกเลยนะก็คือปัญหาโลคร้อนแล้วก็มลภาวะนะอันนี้เนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่โควิดก็มีแต่จะอ่าซาลงไปแต่ปัญหาจากโรคร้อนปัญหาหมลภาวะนี่จะเรียกว่าตอนนี้มันแค่เริ่มต้นนะแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และก ว, ว, วันนี้เราก็มีความรู้ยังไม่มากพอนะเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนทัง้าๆที่ก็มีการพูดกันมาเยอะแล้วแต่นั่นก็เราเราก็ยังรู้น้อยแต่เราก็มีแนวโน้มจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดนี้พบว่าคนที่ได้ผลกระทบมากที่สุดนะจากปัญหาที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนเท่าคนแก่แต่เป็นเด็กนะ เด็กคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและมละภาวะมากกว่าใครเลยเพราะอะไรนะเพราะเด็กยังไม่แข็งแรงร่างกายก็กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาปุ๋มต้านทานก็ยังไม่มากและเด็กที่รับผลกระทบนี่นะมันไม่ใช่แค่เด็กที่เราเห็น วิ่งเล่นอยู่เท่านั้นนะมันลวไปถึงเด็กในท้องเลยเด็กที่ยังไม่ทันได้เกิดมาดูโลกนี้ตอนนี้ก็มีรายงานยืนยันว่าเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วนะจากปัญหาโลกร้อนแล้วก็มลภาวะเพราะว่าแม่เนี่ยสูตรอากาศเข้าไปมันก็เอามลภาวะสารเคมีต่างๆเข้าไปในตัวเด็กสะสมในตัวเด็กนะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ เด็กเนี่ยคลอก่อนกำหนดมากขึ้นนะหรือไม่ก็น้ำหนักตัวก็น้อยลงตัวผอมรวมทั้งมีความผิดปกติอย่างอื่นด้วยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะเช่นสมองเนี่ยสมองที่กำลังจะพัฒนาอยู่ได้รับผลกระทบมากเลยนะแล้วเด็กถ้าสมองนี่ไม่พัฒนาเท่าที่ัวนะ พอคลอดออกมาพอโตขึ้นนี่ก็ลำบากนะความจําเสื่อมหรือว่าเกิดความพิการพิการในทางใดทางหนึ่งหรือแม้จะปกติดูมันปกติแต่ว่าก็จะใช้ชีวิตได้ไม่ไม่ดีนะเท่าที่ควรแล้วมีนามําซ้ำพอโตขึ้นมาแล้วนี่อาหารที่กินนะมันก็มีคุณภาพน้อยลง ปริมาณก็น้อยลงด้วยอันนี้เพราะปัญหาโลกร้อนนะมันมีผลกระทบต่ออการปลูกพืชการปลูกอาหารธัญญาหารแล้วแนวโน้มที่ข้าวมันจะหรืออาหารจะน้อยลงและคุณภาพแย่ลงก็จะมีมากแล้วเด็กก็ได้รับผลกระทบนี้เต็มๆโอกาสที่จะอยู่รอดจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีน้อยลง แล้วเขาบอกว่าเนี่ยนับวันโลกนี้มันจะเป็นสถานที่ที่อันตรายสําหรับเด็กมากขึ้นนะพอพอมีปัญหาโลกร้อนมันก็จะเกิดความแปรปรวนของนิฟ้าอากาศเกิดพายุนะไต่ฝุ่นทอร์นาโดเฮอริเคนรุนแรงทั้งนั้นแล้วก็ถี่ขึ้นแรงขึ้นน้ําท่วมในต่างหาแล้วคลื่นความร้อนเด็กนี่จะแย่กับผู้ใหญ่นะเด็กนี่จะได้รับผลกระทบนี่มากกว่าผู้ใหญ่ พะนั้นโอกาสที่จะอยู่รอดจนเป็นผู้ใหญ่นี่ก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความรุนแรงจากดินฟ้าอากาศนะบางทีความรุนแรงที่เด็กได้รับจากพ่อแม่หรือจากคนในบ้านก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพอพ่อแม่ผู้ใหญ่เครียดจากปัญหาเศรษฐกิจเพราะดินฟ้าอากาศมันแปรปวนหรือเครียดเพราะว่า เกิดขึ้นความร้อนเกิดน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายพอผู้ใหญ่เครียดก็มาลงที่เด็กเนะเด็กก็รับไปเต็มๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็วิตกกันนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าเรื่องหน้าห่วงนะโลกนับวันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสาหรับเด็กน้อยลงแต่อันตรายกับเด็กมากขึ้นในป่านานี้เราก็ต้องช่ว ย, ยคิดนะและช่วยหาทางแก้ไข แก้ไขคงจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่น่าก็ช่วยบรรเทาเบาบางให้มันลดน้อยถอยลงเช่นการลดมลภาวะในท้องที่ของตัวปลูกต้นไม้กันให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นช่วยได้นะนที่ที่เรารู้แน่ๆคือว่าพอปลูกกันมากๆแล้วนี่คนแก่ตายน้อยลงอันนี้ก็มีการวิจัยยืนยันนะคนแก่ตายน้อยลง เพราะว่าพื้นที่สีเขียวมันช่วยรักษาชีวิตของคนแก่ไว้มันช่วยยังไงนะมันช่วยกรองมลภาวะมันช่วยกรองมลพิษมันช่วยลดเสียงดังมันช่วยส่งเสริมให้เกิดมีการออกกําลังกายเพราะพอมีพื้นที่สีเขียวคนก็อยากจะไปเดินเล่นอยากไปออกกาลังกายมันช่วยมันเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักแล้วมันทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นพอพื้นที่สีเขียวมากขึ้นมีมากขึ้นนะคนแก่ก็อายุยืนมากขึ้น และที่ตายมันก็น้อยลงอันนี้ก็เชื่อว่ามันก็คงจะมีผลต่อเด็กในระยะยาวด้วยเพราะนั้นเนี่ยแม่เราจะทำอะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับโลกร้อนนะแต่ว่าการที่เราทำให้มีพื้นที่สีเขียวในที่ของเราปลูกกันเยอะๆในบ้านเมืองของเรามีสวนสาธารณะมากขึ้นนี่มันก็ช่วยลดผลกระทบได้ทั้งกับเด็กเรากับผู้ใหญ่